ยาซีเรียสเรื่องถ้าเห็นแก่ตัวแล้วใหญ่เล็กก็ลำบากเหมือนกันการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อค้าคนหนึ่งไปค้าขายต่างเมือง มีลาไปตัวหนึ่งมีม้าไปตัวหนึ่งม้าตัวโตวลาตัวเล็กต่างฝ่ายต่างก็บรรทุกสินค้ากันไปลาบรรทุกได้จำนวนหนึ่งม้าบรรทุกได้จำนวนหนึ่งแต่ลานั้นกำลังน้อยกว่ามา้าก็เดินทางกันไปเรื่อยเื่อเมื่อเดินทางไปถึงที่แห่งหนึ่งลาบอกว่าพี่ม้า จะเหนื่อยแล้วนะขอพี่มา้าช่วยรับภาระของฉันครึ่งหนึ่งเถิดม้าก็บอกว่าฉันไม่เหนื่อยแต่ว่าไม่รับของของเธอก็เธอเกินมาเป็นลาตัวเล็กเองนี่ช่วยไม่ได้แล้วก็เดินทางต่อไปลาเตือนอีกครั้งหนึ่งพี่มา้าฉันตาลายแล้วนะตอนนี้ ฉันอาจจะสิ้นใจก็ได้ถ้าพี่ไม่ช่วยม้าก็บอกว่าก็ตายไปสิฉันก็อยู่ของฉันฉันไม่ตายหลังจากนั้นลาก็ล้มลงสิ้นใจตายพอลาสิ้นใจตายม้าก็มีของบรรทุกจากหลังลาเมื่อลาตายเจ้าของ ก็ต้องย้ายของเหล่านั้นขึ้นหลังมามาเริ่มรู้ซึ้งแล้วว่าการที่อยู่คนเดียวในโลกนั้นสุดท้ายก็ลำบากถ้าไม่อื้อเฟื้อแต่เมื่อคิดได้ลาตายเสียแล้วแล้วต่อมาเจ้าของเดินเหนื่อยเลยขึ้นขี่ม้าต่อไปอีกพอเจอแบบนี้ม้าคิดถึงลาแล้วคิดว่า นี่เธอชั้นได้ช่วยเธอเสียตั้งแต่แรกฉันคงไม่ต้องหนักแบบนี้ในการอยู่ร่วมในสังคมนั้นต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เสียแล้วต้องพึ่งพาคนมีกําลังน้อยก็ทำงานได้คนมีกําลังมากก็ทำงานได้ขอให้ประสานกันเถอะทุกคนมีความหมายถ้าคนเล็กคนน้อยไม่แตกสามขีกัน รวมตัวกันใช้ความสามารถอย่างเต็มเหนียวก็จะเอาชนะอุปสรรคได้แต่ถ้าวันไหนต่างคนต่างเดินความหายนะก็มาถึงผู้ได้เปรียบผู้เสียเปรียบจริงๆแล้วต่างก็มีดีเพียงแต่เปิดดีเข้าหากันไม่ต่างคนต่างอยู่ไม่ต่างคนต่างแตกแยกซึ่งกันและกัน